ต่อไปข้อ6ปัญจะมีวิพัตในที่ประกอบด้วยนิบาศก็คือจะแปลนิบาศให้เข้ากับปัญจะมีวิพัตแปลว่าแต่แปลว่าจากดูตัวอย่างข้อ1กริเตเป็นนิบาศกริเตแปลว่าเป็นนิบาศแปลว่าเวน้นเวน้นดังนั้นเว้นก็ต้องเว้นจากไม่ใช่เว้นซึ่งกริเตสัตถธรรมากุโตสุขขังละพติ ริเตเวน้นเว้นสัตธรรมาจากพระสัตธรรมสุขังความสุขอาไชอไปปุขโลบุคคลละพติจะได้จะได้สุขังซึ่งความสุขกุโตจากที่ไหนมไม่มีประธานมีไต่กิริยาแล้วก็ใส่เข้ามาอย่างนั้นเองเว้นจากพระสัตธรรมเสียแล้ว จะได้ความสุขจากที่ไหนก็คือได้ความสุขจากพร ะ, พระสัจธรรมนั่นเองเมื่อเว้นพระสัจธรรมคําว่าเว้นพระสัจธรรมก็เช่นไม่ใฝ่ใจในการศึกษาพระสัจธรรมครั้นไม่ใฝ่ใจแล้วมีผู้กล่าวพระสัจธรรมให้ฟังก็ไม่สนใจฟังอย่างนี้เรียกว่าเว้นจากพระสัจธรรมส่วนเรานี่ไม่เว้นใช่ไหมทั้งใฝ่จะเรียน มีคนพูดก็อยากจะฟังยิ่งมีนิทานด้วยยิ่งอยากฟังใหญ่ <laughs> ต่อไปข้อสองเตภิกขูนานากุลาปภพตานานาเป็นนิบาตแปลทับศัพท์ว่านานาหรือต่างๆต่างๆนานา <laughs> ต่างๆนานาเตภิกขู ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นปปัชชะตาบวชแล้วกุลาจากตระกูลทั้งหลายเอาไม่ใช่จากตระกูลเฉยๆไม่ทั้งหลายจากตระกูลนานาต่างๆภิกษุเหล่านั้นมาจากตระกูลต่างๆก็บวชหรือว่าบวชเนี่ยบวชจากตระกูลต่างๆ ต, ต่างคนต่างมา ภิกษุเหล่านั้นบวชแล้วจากตระกูลต่างๆอะไรนะฮะเตเมโวโนเตเมโวโนทไมเตตัวนี้มันไม่ใช่ตุมหัะนี่มันตาสพนา ม, มาถ้าจะแปลให้ถูกแปลอย่างนี้นะถ้าจะถูกตามนี้นะเตพิกขูภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนาน า, น า, นาต่างต่างแล้ว ต่างๆมาแล้วต่างกันแล้วกุลาจากตระกูลไม่ใช่ต่างกันกจากตระกูลปัพพิชิตาบวชแล้วอเนี่ยถ้าถ้ า, าแปลอย่างนั้นถ้าจะแปลให้ถูกไ ง, ตงแต่ส่วนมากเขาแปลเนะี่ยเขาจะแปลนานานในเป็นวิเศษนะของกุลาซึ่งมันไม่ถูกเอานี่บาดมาเป็นวิเศษณะมันแปลไม่ได้มันไม่ถูกตามบาลีแต่ว่าเขาก็แปลกันอย่างนั้นจากตระกูลต่างๆเขาแปลอย่างนั้น จริงๆต้องบอกว่าพิสูจน์แล้วนั้นต่างต่างกันจากสกุลนะต่างกันจากสกุลบวชแล้วต้องแปลอย่างนี้ถึงจะถูกกุ <c oughs> ลาเป็นสมาสมาเป็นอาจากตระกูล<แ>ก็หมายให้ว่าต่างคนต่างมาแล้วก็บวชคราวเดียวกันกุลาเป็นเอกพจน์ใช่ ใช่ใช่ตัวไปท่านแปลว่าบวชแล้วจากตระกูลต่างๆถ้าแปลอย่างนั้นแปลไม่ถูกบาลีถูกภาษาไทยต้องแปลว่าต่างๆ ต, ต, ต่างกันจากตระกูลคือจากตระกูลต่างกันอต่างกันจากตระกูลบวชแล้วแต่ว่าบวชคราวเดียวกันแต่ว่าจากตระกูลแตกต่างกันใช่ตระกูลใครตระกูลมัน ถ้าเราบอกว่าภิกษุทั้งหลายบวชแล้วจากตระกูลต่างๆก็เลยกลายว่าภิกษุรูปนี้ก็จากตระกูลนั้นบ้างจากตระกูลนี้บ้างนี่นมันไม่ใช่ ก, ก็ยังไงก็คือต่างกันโดยสกุลนงต่างกันโดยตระกูลแล้วค่อยมาบวชเข้าเดียวกั น, ก น, นกต่อไปข้อสามวินาสัตธรมานาัฏฐานโย โกจินาโถโลเกวิชติวินาเป็นนิบาตแปลว่าเว้นเหมือนกันสัทธมาก็แปลว่าจากพระสัทธธรรมนัฏฐานโยเป็นสนธิคือนัฏทิอันโยนัฏทิอัญโย <c oughs> นัฏทิแปลว่าย่อมไม่มีอันโยแปลว่าอื่นสิ่งอื่นบุคคลอื่นข้างล่างก็มีแยกสนธิให้แล้วนัฏฐานโยนัฏทิอัญโย โกจินาโถโลเกวิชติวิธีแปลแปลว่าอย่างนี้อัญโยบุคคลอื่นวินาเว้นสัตธมโมจากพระสัทธรรมนัตถิย่อมไม่มีมบุคคลอื่นเว้นเว้นจากพระสัทธรรมย่อมไม่มีทำไมายังเป็นอย่างนั้น มาแปลประโยคหลังก่อนหนึ่งจะเข้าใจโกจิใครเล่าใครใครสักคนนะคำว่าโกจิเนี่ยใครสักคนนาโถเป็นที่พึ่งหรือว่านาโถแปลก่อนเลยผู้เป็นที่พึ่งโกจิสักคนวิชติตจะมีโลเกในโลกมีอยู่ในโลกย่อมมีในโลกที่พึ่งสักคนย่อมมีอยู่ในโลก ถ้าแปลอีกอย่างหนึ่ ง, ก, งก็แปลงไว้แบบนี้นะบุคคลที่เป็นที่พึ่งสักคนในโลกนี้เว้นจากพระสัตธรรมแล้ว <C' n one> ไม่มีอืม <C' n one> ก็คือพระสัตธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งในโลกใครๆจะเป็นที่พึ่งได้เล่าเว้นจากพระสัตธรรม <C' n one> พระสัตธรรมเป็นที่พึ่งอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้ในโลก <C' n one> อกลกอือ ย่อมมีท่านัทธิย่อมไม่มีทวิชติในแปลว่าย่อมมีไม่ใช่ <c oughs> เอางนี้ล้กันนะ <c oughs> เวลาแปลเนี่ยแปลประโยคหลังก่อนดูซินะ โคจินาโถผู้เป็นที่พึ่งสักคนนะผู้เป็นที่พึ่งสักคนวิชติมีอยู่โลเกในโลกที่พึ่งสักคนน่าจะมีอยู่ในโลกอื <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาข้างหน้านะอัญโยที่พึ่งอย่างอื่นนะอัญโยนาโถเนี่ยนะผู้เป็นที่พึ่งอย่างอื่นวินาเว้นแล้วสัต ธ, ธรรมาจากพระสัตธรรมนัติยังไม่มี ถ้าเราคิดว่าเอ๊ในโลกนี้น่าจะมีสิ่งที่เป็นที่พึ่งสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาสารุปว่าอ๋อถ้าเว้นจากพระสัทธรรมไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้งั้นสิ่งที่คกัว่าเป็นที่พึ่งสักอย่างในโลกนี้ก็คือพระสัทธรรมนั่นแหละนัทันโยนัญนญโยนัทันโยอเอาเขียนคำแปลตรงนี้ก่อนโกจินาโถ ที่พึ่งศักยอย่างหนึ่งที่พึ่งศักยอย่างหนึ่งวิชิตมีอยู่โลเกในโลกที่พึ่งศักยอย่างหนึ่งมีอยู่ในโลก <c oughs> แล้วก็มาอันโยนี่แหละนะอันโยที่พึ่งอื่นที่พึ่งอื่นวินาเว้น วินาเวนสัธรรมาจากพระสัต ธ, ธรรมนัตถิย่อมไม่มีที่พึ่งอื่นเว้นจากพระสัตธรรมย่อมไม่มีถ้าเขาแปลรวบทั้งสองประโยคเข้ากันเ็าจะแปลอย่างนี้ว่าที่พึ่งสักอย่าง เว้นจากภระสัตว์ธรรมอ่าที่พึ่งศัก์อย่างในโลกนี้เว้นภระสัตว์ธรมแล้วย่อมไม่มีก็คือเอาไม่มีอย่างเดียวมีไม่ต้องเอาแหละที่พึ่งสักย์กอย่างหนึ่งเว้นภรสัตว์ธรรมแล้วย่อมไม่มีก็คือภรสัตว์ธรรมเป็นที่พึ่งอย่างเดียวนั่นเองภระสัตว์รมเป็นที่พึ่งอย่างเดียวในโลกที่พึ่งศักย์อย่างหนึ่ง เว้นพระสัตยธรรมย่อมไ ม, ม่มีเอาที่พึ่งสัตอย่างหนึ่งในโลกเอาในโลกก่อ น, นที่พึ่งสัตย์อย่างหนึ่งในโลกเว้นพระสัตธรรมย่อมไม่มีออืสอบไหนอะ่ะสอบมหาเหร อ, อยกศัพท์ยกศั์แปง ยกมาเป็นทีละัพทีละศับอะ่ะ ก, ก็เป็นสำนวนนั่นแหละแต่ต้องยกสับแปรตามลำดับเช่นนาโถอันว่าที่พึ่งโกจิไรองไรวิชติมีอยู่โลเกในโลกอันโยนาโถที่พึ่งอย่างอื่นวินาเวนสัทธมาจากพระสัศธรนานัตถีย่อมไม่มีเขาก็จะแปลอย่างนี้ แต่เราไม่ได้เน้นไปขนาดขนาดนั้นนะไม่ต้องไปสอบต่อไปข้อ4ยาวะพรมโลกาสัตโทอภุกคชจติคล้ายๆกับข้างบนอันนั้นเป็นออุปสรรคแต่ น, นี้เป็นยาวะนิบาทแต่มีความหมายเหมือนกันเลยความหมายเหมือนกันลองแปลดูสัตโทชื่อเสียงอภุกคชจติย่อมฟุ้งไปย่อมฟุ้งขึ้นไปยาวะเพียงใด พรมะโลกาแต่พรมโลกเพียงใดแต่พรมโลก <c oughs> ยาวะเพียงใดก็คือตั้งแต่พรมโลกลงมานั่นเองคำว่าเพียงใดแต่พรมโลกตั้งแต่พรมโลกมาถึงไหนถึงนั่นความหมายง่ายคำว่าเพียงใดเนี่ยตั้งแต่พรมโลกลงมาชื่อเสียงย่อมฟุ้งไป อ็ว่าเพียงใดก็เพียงใดโยไม่ต้องตั้งแต่ถ้าตั้งแต่ก็ตั้งแต่ไม่ต้องเพียงใดเพียงใดจะแต่พรมโลกหรือไม่ก็ตั้งแต่พรมโลกเอาเพียงใดก็เพียงใดตั้งแต่ก็ตั้งแต่ถึงไม่ได้เพราะมันไม่ใช่อารยสัพท์แต่ถ้าโดยความหมายนะได้แต่ภาษาไม่ได้ก็คือถึงพรมโลกนั่นแหละ ใช่ใช่ตั้งแต่พมโ่โลกลงมาใช่ตั้งแต่พมโลกลงมาอ่ะเพลย์เพลย์กรีเตสัพธธมากูโตสุขังละพาติ เว้นจากพระสัทธรรมจะได้ความสุขจากที่ไหนเตพิกขูนานากลาปภชิตาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นบวชแล้วจากประูลตทางทา ง, ทางวินาสัต ร, รมานัตถันโยโกจินาโถโลเกวิชติติที่พึ่งสักอย่างในโลก เว้นพระสัตธรรมแล้วย่อมไม่มียาวะพรห ม, มโลกาสัตโทอภุคาติชื่อเสียงฟุงย่อมฟุงไปเพียงใดแต่พรหมโลกก็ แ, แปลถ้าแปลวัหานก็ถ้าแปลวหานก็ตั้งแต่พรหมโลกลงมาชื่อเสียงย่อมฟุงไปหรือ ชื่อเสียงย่อมฟุ้งไปถึงพรมโลก